ตอนรู้แจ้งเห็นจริงวันที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตามนรรมส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรลีคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์ก็มีบางคำถามแต่ก่อนจะถึงคำถามนั้นก็เปลี่ยนบรรยากาศใหม่หน่อยหนึ่งนะ ก็จะให้ญาติธรรมบางคนเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะไม่ได้คิดล่วงหน้าแล้วไม่รู้ว่าต้องเป็นใครนะถ้าในทางวิชาการเขาจะถือว่าไม่มีมารยาทขับหลักวิชาการต้องบอกเขาล่วงหน้าเขาจะได้เตรียมข้อมูลแต่ถ้าเราบอกเขาล่วงหน้าแล้วเราจะไม่ได้ข้อเราจะได้แค่ความรู้ เราจะไม่ได้เจอความจริงความจริงนี่พูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเตรียมจะเชิญออกมาแบ่งปันเมื่อพูดว่าตั้งแต่ก่อนไม่ได้ปฏิบัตินะั้นเป็นอย่างไรหลังจากปฏิบัติแล้วนี่ใช้เวลามานานแค่ไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะความจริงนี้นี่พูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปเตรียมข้อมูลทุกวันนี้ความรู้ต่างๆเนี่ยนะ เกิดมาจากสะสมข้อมูลนะมาอ่านมาจำมาท่องจำความรู้คนอื่นมันไม่ใช่ปัญญาความรู้เนี่ยทางโลกความรู้ทางวิชาการสูงสุดก็เรียนจบดอกเตอร์ปริญญาเอกบางทีเรียนจบมาเรียนวิชาหาเงินก็บังเอิญว่าก็มาทางานก็สาเร็จจริงๆก็ล่ารวยมีายลาภยศเสริญแต่ถ้ายังร้องไห้อยู่ ยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยถือว่าไม่มีปัญญายังถือว่าเป็นคนโง่ก็ได้เพราะโง่ที่ทำให้ตัวเองทุกข์นะจิตซึ่งมีปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีอาการแบบนี้นะทุกวันนี้มีแค่ความรู้เด็กๆ ก, ก็เป็นเหยื่อถูกสอนให้ไปเรียนความรู้ไปท่องจำความรู้คนอื่นเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้นะ เก่งที่สุดก็เท่ากับเจ้าของตำลามันนะมันถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองมีความรู้แต่ขาดปัญญานะพระริเจ้าสอนให้เราเกิดปัญญาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วเป็นก็คืออัตตาเป็นคนดีเขาว่าเราไม่ดีเราก็ทุกข์เราไปติดดีศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์ สอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะอันนี้ต้องเน้นกันบ่อยๆอย่าไปหลงประเด็นแต่ตอนนี้การศึกษาทุกวันนี้เนี่ยสอนให้เป็นคนเก่งนะสอนให้คนเก่งเก่งทำดีเก่งทำชั่วชนะถึงจะดีแพ้ไม่ดีมีเงินเยอะๆถึงจะมีมีรวยแล้วค่อยจะเป็นสุขนะเราสอนแบบนั้นไง เราไม่ได้สอนให้พ้นทุกนะแล้วก็ทุกขยันเรียนเพื่อจะเป็นคนเก่งและคุยกับพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องอันนี้คนเก่งแล้วก็โง่ด้วยนะไปท่องจำความรู้เขาแล้วก็คิดว่าไปหลงว่าตัวเองมีความรู้นะเด็กๆทุกวันนี้เข้าอินเทอร์เน็ตเก่งมากนะไปท่องโลกได้เลยล่ะนะ สมัยเด็กๆ เ, เล่นกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกหยุดหยุดเลยเพราะว่าเขากลัวคุณพ่อคุณแม่เสียใจไม่ต้องถามเลยว่าไปไงหยุดแต่ท้าวันนี้เรียนไปเรียนมารู้ทั้งหมดเลยยิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เตือนคนํานึงเถียงไปสิบคาเขาหลงว่าเขารู้เขาไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึความรู้เป็นของเขาเลยเขาเป็นแค่คนไปเรียนแบบเป็นนักก๊อปปี้คิดไม่เป็น ไปหลงว่าตัวเองรู้ตัวเองเก่งนี่แหละความรู้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญานะจิตซึ่งเข้าถึงปัญญาแล้วสมัยเด็กๆ เ, เออเล่นกันพาะไม่รู้เรื่องเออพอทะเลาะ ก, กันพ่อแม่บอกหยุดมันก็หยุดไงเพราะมันรักพ่อแม่นะแต่พอโตขึ้นถ้าเราเรียนเราเรายิ่งรู้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้พ่อแม่เตือนเลย น, ะนั่นแหละยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ตอนนี้ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ เพราะเป็นหลงรู้ความรู้คนอื่นสร้างอัตตาขึ้นมาทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเด็กเป็นเหยื่อนะเพราะครูไม่โทษเด็กผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เขาอยู่นะก็เกินเกินไว้นะก็คืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะกำลังมองหาอยู่ว่าใครจะเป็นคนได้บุญวันนี้คือมาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้ธรรมทานวันนี้ก็บังเอิญ มีนกตัวหนึ่งบินมาจากกรุงเทพและอีกนกอีกตัวหนึ่งก็เป็นไม่ฉีที่นี่และมีนกคนหนึ่งก็อยู่ในศูนย์ตอนนี้เอานกที่อยู่ในศูนย์ก่อนนะคุณนกเชิญครับไม่บอกล่วงหน้าถ้าบอกล่วงหน้าเดี๋ยวเขาจะเตรียมข้อมูลมาเตรียมความรู้มาบอกเราความรู้แบบนั้นเราไม่เอาเราจะได้ต้องการได้ยินความจริงความจริงพูดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพราะครูถามปุ๊บ เราไม่รู้แล้วก็ตอบว่าฉันไม่รู้นั่นแหละเป็นความจริงอย่างยิ่งนักวิชาการกลัวมากนะกลัวว่าจะตอบไม่ได้นะเพราะว่าความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ความรู้ของเขาไม่มีประสบการณ์เลยเป็นความรู้ที่เขาไปท่องจำเรียนแบบคนอื่นเท่านั้นเองเขาไม่เคยพูดความจริงเลยเขาพูดแค่ความรู้คิดว่าวันนี้เนี่ยคุณนกน่าจะพูดความจริงให้เราฟังนะ อืมก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่แข็งแรงกับภาษากลางมาก <c oughs> คือถ้าจะฟังหนูต้องตั้งใจแล้วก็แปลเองหรือไม่ก็ถามนอกรอบได้นะคะ <c oughs> อะพ่อครูอยากให้หนูเล่าเกี่ยวกับก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็หลังจากปฏิบัติปฏิบัติมาตีนามแล้วแล้วตอนนี้สภาวะอารมณ์ค่ะพูดความสุข ค่ะหนูมาที่นี่ต้องบอกว่าไม่รู้เลยว่าว่าว่าเป้าหมายครั้งแรกอะไรดีเพราะว่ามันสับสนไปหมดหนึ่งสุขภาพสองปัญหาทางจิตใจแล้วก็สามอยากปฏิบัติ แต่ยังหาหลักไม่ได้นะคะว่าหนูจะจับตรงไหนดีแต่มันก็แค่มีความรู้สึกว่าเอาวะเชื่อในพ่อครูเชื่อในพระพุทธเจ้าทำไปปฏิบัติไปเดือนแรกรู้สึกว่าเจ็บมากเจ็บทั้งกายทั้งใจแล้วก็ร้องทุกวันแล้วก็ พยายามส่งกระแสจิตลบกวนพ่อครูบอกว่าช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะพอเดือนที่สองก็บอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วมึง <c oughs> <c oughs> ก็จะมาลาพ่อครูบอกว่าหนูหนูคงไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าทีนี้พ่อครูก็บอกหนูว่าบ้านไม่หายนะกลับมาไหลก็ได้ บ้านมันอยู่ที่เดิมด้วยความที่โง่แล้วก็ไม่ทันสติก็พลาดพังพูดกลับไปว่าหนูไม่เคยคิดถึงบ้านหนูไม่อยากกลับบ้านแต่ในใจอะ่ะมันคานเข้าไปจะบอกว่าหนูอยากกลับบ้านแล้วพอกูก็ไม่ถือสาหาความพอกูก็เงียบจนหนูกลับมาที่ย่องแล้วหนูก็รู้สึกว่า หนูอยากร้องไห้เพราะว่าหนูโกโหกต่อหน้าพ่อครูทั้งที่หนูรู้ว่าพ่อครูรู้อยู่ว่าหนูคิดอะไรแล้วหนูก็บอกกับตัวเองว่าเริ่มใหม่นะที่ผ่านมาต้องอภัยให้ตัวเองหลังจากนั้นความที่หนูสำนึกผิดหนูก็ตั้งหน้าปฏิบัติปฏิบัติ ชนิดที่ว่าหนูจะไม่ถามอะไรพ่อครูอีกเลยเพราะหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูถามก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งปากหนูที่พูดไปกับใจที่มันมีมันก็ไม่ได้ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วหนูก็ไม่กล้าเข้าใกล้พ่อครูด้วยแล้วหนูก็ปฏิบัติไปแต่ทุกคืนหนูก็ขอขมาพ่อครูทุกครั้ง จนผ่านไปหกเดือนหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูมันแย่มากหนูมีโรคประจาตัวเกี่ยวกับมดลูกเลื่อนหนูออกเดือนหนึ่งบางครั้งก็สิบแปดวันบางครั้งก็มันไม่แน่ไม่นอนมาต้นเดือนก็มาปลายเดือนมามาหนูก็เลยบอกว่าเอาน่ะ พ่อครูเทศเสมอว่าถ้าตายที่นี่อะ่ะมีบุญโคตรหนูก็เลยบอกงั้นก็ตายที่นี่เลยเนาะหนูก็ตั้งหน้าปฏิบัติปฏิบัติจนเข้าเดือนที่เจ็ดหนูก็เจอกับกัญยาณิมิตซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาก็เข้ามาทักหนูบอกว่าพี่พี่จะเป็นมาเลงนะอืมเพราะว่าหนูดูจาก อะไรอะไรของเขาที่เขามีความรู้นะคะหนูก็เลยบอกว่าเออืมหนูก็เฉยๆเขาก็เลยบอกพี่พี่ต้องกินน้ํามะนาวโซดาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเออก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียหนูก็ทําตามเขาไปจนร่างกายหนูก็เริ่มดีขึ้นแต่ส่วนหนึ่งหนูรู้ดีว่ามันมาจากการเวี่ยงเวี่ยงชนิดที่ไม่คิดชีวิตแม้ว่าหนูจะเจ็บมากขนาดไหน ตอนเดินมาศาลาบ่ายสองหนูต้องร้องทุกวันแล้วบอกว่าถึงเวลาอีกแล้วเหรอนี่แล้วก็บอกว่ากูไม่อยากไปเลยแล้วก็ต้องมาค่ะแล้วก็จะชอบแอ บ, บดูว่าพ่อคูอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปตอนเบี่ยงพ่อคูจะได้ช่วยทันนะคะหนูชอบคิดแบบนี้ แล้วหนูก็จะขยิบตาไว้ข้างหนึ่งพ่อครูอยู่หรือเปล่าแล้วก็เวียงไปเวียงไปเวียงไปจนวันหนึง่งหนูไม่ไหวหนูก็ไปหาพ่อครูอีกบอกว่าพ่อครูหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูเจ็บมากเลยหนูยังไม่ทันได้บรรยายพ่อครูเลยว่าหนูเจ็บยังไงพ่อครูบอกไปเวียงแล้วพ่อครูก็บอกว่าคนอื่นเขาเจ็บมากกว่าเธออีก เธอแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรไปเวียงนั้นหนูก็บอกไปเวียงหนูก็บอกว่าจําไว้เลยหนูจะไม่บอกพ่อครูอีกแล้วหนูก็เดินกลับห้องหนูก็เวียงเวียงเวียงเวียงจนอยู่มาก็จะมีการยานิมิตเข้ามาเรื่อยๆชอบมาบอกหนูว่ากินยานู่นสิกินยานี่นสิเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่กินไม่กินจน ล่าสุดหนูก็เจ็บมากเพราะว่าเวลาเบี่ยงหนูไม่สามารถเบี่ยงได้เมนก็มาตลอดทั้งเดือนแล้วก็เวลาเต้นก็จะเจ็บมดลูกเหมือนมันจะหลุดออกมาค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้หนูก็เบี่ยงไม่ได้หนูก็ต้องรักษากายก่อนหนูก็เลยยอมกินยาบางอย่างที่เขาบอกแล้วพอกินไปมันก็ค่อยยังชั่วจริงๆแล้วก็พอหนู ไม่เจ็บมากแล้วหนูก็ตั้งใจเวี่ยงอีกพราะหนูก็เชื่ออย่างสุดใจว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญมันเป็นผลของการที่หนูตั้งใจปฏิบัติแล้วเขาก็ส่งยามาให้หนูอยู่ตลอดตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมที่หนูทำว่าหนูสามารถชดใช้เขาไปได้เบาบางขนาดไหนถ้าหนูทำได้น้อยเขาก็ส่งยามาให้น้อยถ้าหนูทำเยอะเขาก็ส่งยามาเยอะ เพราะฉะนั้นหนูต้องทำเยอะเพื่อที่จะได้ยาเยอะๆแล้วหนูก็จะได้หายจนกระทั่งเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนพ่อครูจัดปาร์ตี้ก็บังเอิญอีกะค่ะมีญาติทำคนหนึ่งที่หนูเคยสนิทมากคือหมอนีเขาก็พาหมอมาอีกสองคนซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเขาให้หนูกินแค่ยาลมมาะค่ะ ยาลมเช้าเย็นแต่อาการหนูหายจนไม่น่าเชื่อแล้วหนูแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อหนูพร้อมขนาดเนี้ยหนูต้องทำอะไรเพื่อทดแทนสิ่งที่พ่อครูให้หนูบ้างแต่หนูก็นึกไม่ออกหรอกว่าหนูต้องทำอะไรทุกวันนี้หนูก็ทำเท่าที่หนูทำได้ อย่างเช่นว่าช่วยงานเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้ว่ามากมายอะไรนักหนาตามสังขารที่หนูจะทำแล้วอยู่มาวันหนึ่งหนูก็เป็นคนชอบนอนกลางวันใช่ไหมคะแล้วก็ชอบฝันแล้ววันหนึ่งหนูก็ฝันว่ามีจิตหนูเนี่ยมันบอกหนูบอกว่าทิ้งกายทิ้งใจสิทิ้งสิจะได้ไม่ทุกข์เพราะหนู ทุกกับความเจ็บปวดมาเหลือเกินหนูก็คิดคิดมาประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะทิ้งยังไงอะทิ้งยังไงหนูก็ถามมันทุกวันถามมันทุกวันจนเมื่อสองวันที่แล้วอะค่ะหนูตื่นมาด้วยความเหนื่อยหนูก็มองหน้าในกระจกหนูรู้สึกเครียดมากเลยที่หัวหนูฟูมากแล้วก็หน้าหนูก็เป็นสิวแล้วหนูก็บอกว่า แค่หัวฟูกับหน้าเป็นสิวเนี่ยนะทำไมเธอถึงเครียดได้ขนาดนี้แล้วหนูก็มองกระจกแล้วหนูบอกว่าอ๋อที่ไม่ทิ้งกายก็คงเป็นเพราะหัวฟูกับเป็นสิวแล้วไม่ทิ้งใจก็คงเป็นเพราะหนูเครียดหนูก็ยืนคุยคนเดียวหน้ากระจกนะคะหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากทิ้งมันจริงๆ แต่หนูยังทำไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์หนูไม่เก่งขนาดนั้นหนูก็เลยอยากทิ้งมันด้วยกายภาพจนวันนี้หนูก็ขอมากราบพ่อครูขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากพ่อครูว่าถ้าหนูจะทิ้งกายภาพจะได้ไหมพ่อครูก็เลยสอบอารมณ์หนูแล้วพ่อครูก็บอกว่า อนุญาตเพราะมันเป็นการทำโดยไม่ได้อยากหรือไม่อยากหรือเป็นกิเลสโดยการที่หนูขอพ่อครูบวชแต่หนูออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าหนูจะทาให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าดีที่สุดของหนูจะดีสาหรับคนอื่นแค่ไหนแต่หนูจะพยายามทำเพื่อหนึ่งทดแทนบุญคุณพ่อครู เพื่อศาลานี้ที่มีพลังบริสุทธิ์ที่ทำให้หนูรู้สึกว่าชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าหนูยังไม่ได้โกนผมนะวันนี้แต่หลังจากหนูคุยกับพ่อครูเสร็จหนูรู้สึกว่าหนูได้ชีวิตใหม่ทันที เกิดใหม่ทันทีซึ่งความรู้สึกนี้หนูก็ใส่ไปในหัวใจของคนอื่นไม่ได้แต่ในใจของหนูมันเต็มเปี่ยมถ้าการบวชครั้งนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ถูกทางของมรรคผลนิพพานหนูอยากให้ทุกคนในที่นี้ซึมซับ ความรู้สึกดีๆแล <c oughs> <c oughs> ้วก็พลังของการบวชครั้งนี้ทุกคนค่ะก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคนจีนเขาพูดคำว่าเจียงซานอี้กายเปินสิ่งหนานอวีเป็นจีนกลางนะ คือเจียงเนี่ยคือแม่นม้ํำทะเลมหาสมุทรซานนี่แปลว่าภูเขาเขาบอกแม่น้ํา ม, มหาสมุทรกับภูเขาเนี่ยเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนง่ายระเบิดภูเขาไปถมก็ได้แต่ขบวนการอุปนิสัยหรือสันดานเนี่ยเขาใช้คําว่าเปลี่ยนยากไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนได้ โดยเฉพาะถ้าเราบริโภคพุทธโอสถธรรมโอสถของพุทธเจ้าเนี่ยเราเปลี่ยนได้นะอันนี้ก็เป็นเพราะครูก็สอบอารมณ์แล้วอย่าให้เป็นเพราะอารมณ์ชั่วข้าวนะนะบางคนเบื่อที่น่นก็หนีมาที่นี่ทไมธรำมาก็เบื่อที่นี่ก็หนีไปที่น่นนะโดยโทษเพราะสถานที่มันไม่ดีบ้างหลวงพ่อชาก็เคย เทศเรื่องนี้นะธรรมะหมาขี่เลือนพอมันนอนอยู่ที่นี่มันก็เกาคันคันคับอกที่นี่คันฉันย้ายไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นมันก็ไปคันคันอีกบอกที่นู่นก็คันมันก็หนีไปที่อื่นนะหนีไปตลอดชีวิตอันนั้นคือธรรมะหมาขี่เลือนไม่ได้แก้เพราะสถานที่มันไม่ดีต้องแก้ที่ไอ้ที่มันมันคันไม่ใช่ร่างกายเรามันมันคันนะไอ้ใจเรามันคันต้องแก้ตรงนั้นนะมันไอ้ตัวรู้สึกคือตัว ตัวจิตตัวใจเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยแหละเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เราเห็นตัวเองให้เราเห็นความจริงไม่ใช่ไปท่องจำเรียนแบบความรู้คนอื่นนะแล้วก็ไปหลงว่าฉันรู้สร้างอัตราขึ้นมาเห็นไมจบด็อกเตอร์ด้วยการคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองยิ่งเรียนยิ่งโง่หรือเปล่าเห็นไหมเออในขณะที่ชาวนาสอนควไถานาได้ เพราะมันไม่ต้องใช้ภาษามันไม่ต้องใช้ความรู้มันจิตสื่อจิตตรงไปตรงมานะแต่ตอนนี้เนี่ยสังคมมันตั้งโจทย์ผิดนะเพื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อ ก, กูก็พูดว่ารถคันหนึ่งที่อุบลพ่อ ก, กูไปมันเขียนข้างหลังป้ายว่าความสำเร็จของลูกคือความสุขของพ่อแม่ เอาก็มันใช่แล้วเนี่ยมันใช่แล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยนะมันใช่หรือเปล่าคนอันดับหนึ่งของโลกคุณบิลเกตยังไม่สำเร็จเลยนี่ยใครจะสำเร็จสำเร็จแปลว่าเสร็จแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งคนมันสำเร็จมันไม่เสร็จนะเมื่อมันไม่มีวันเสร็จแล้วพ่อแม่ก็เลยไม่มีวันสุขเพราะลูกมันยังไม่สำเร็จเราไม่ได้รักลูกเลยเรารักอนาคตลูก เรากลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราลูกสู้ตายนะสู้ตายนะต้องชนะต้องเก่งนะเมื่อมีอนาคตมีรวยแล้วจึงถึงจะสุขลูกก็ต้องทุกข์ตลอดชีวิตเพื่อไปสร้างอนาคตและอนาคตที่ว่านี่มันไม่มีวันสำเร็จเพราะมันไม่มีวันเสร็จพ่อแม่ก็เลยไม่มีวันสุขถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยเราเขียนใหม่ตีกลับมาความสุขของลูก คือความสําเร็จของพ่อแม่พ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้นั่นละ่ะสาเร็จพ่อแม่สําเร็จทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ลูกก็สุขได้ทุกวันไม่ใช่ห่วงแต่อนาคดลูกแต่ไม่ห่วงชีวิตลูกลูกมันก็เครียดเพื่อจะให้มันต้องเก่งต้องชนะคนอื่นพอมันแพ้มามันก็ทุกข์ทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตเราไม่เอาชีวิตเราจะเอาอนาคต นะไม่มีพเพราะคูไปทั่วโลกมาแล้วไม่เห็นใครสําเร็จแต่คนที่สําเร็จจริงๆนั่นแล้วก็สุขด้วยใครเปลี่ยนสุขก็ไม่ได้พระพุทธองค์เนี่ยสําเร็จมาแล้วสองพันกว่าปีไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันที่สําเร็จจริงๆในทางโลกไม่มีวันสําเร็จอนาคตอยู่ไหนอยู่นู่นนู่น น, นูน น, น, น, น, น, น, น, นูตายก่อนสําเร็จเพราะมันไม่มีวันเสร็จ นะอันนี้ประเด็นก็รื้อฟื้นหน่อยหนึ่งนะก็พราคูจะเข้าประเด็นคำถามนะก็ยังไม่ได้ไปตั้งอ่านดูอะไรมากมายก็เอาสดๆนะไม่ต้องไปเตรียมข้อมูลนะก็มีกระดาษสามใบพราคูเปิดดูแล้วลายมือคนเดียวกันนะก็ ข้อแรกพญานาคกับมังกรเป็นสัตว์ตัวเดียวกันไหมคะใช่เรียกของไทยกับของจีนหรือเปล่าคะไม่รู้อยากรู้ทําไมคะรู้แล้วพ้นทุกข์หรือเปล่าคะนะอยากรู้ไปหมดเลยนะก็สายพันธุ์งูเหมือนกันนั่นแหละนะเหมือนงูเนี่ยมีงูเหลืองงูเหลืองงูเขียวเป็นสัตว์เลื้อยคานนะแต่ทางมืองจีนเนี่ย ไอ้คำว่ามังกรกับพญานาคไม่เหมือนกันมังกรมีขาพญานาคไม่มีขาทางเรากับทางอินเดียเนี่ยก็มีพญานาคนะเพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปรู้ไปทำไมนะเอาอย่างละข้อที่สองเต่าบนตำหนักพ่อแม่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าแม่คะไม่รู้จะรู้ไปทำไมคะ ดูแล้วห่อได้ไหมคะเนี่ยผู้ปฏิบัติทำไปยุ้มยิ้ม ย, ยุ้มยิ้มไปเห็นอะไรก็อะไรนะนะแล้วมันจะไปไหนล่ะแทนที่จะหลงป่าเนี่หาทางเดินออกจากป่าให้ให้เร็วที่สุดเดินไปครึ่งทางไอ้นี่ดอกนี่สวยวะดอกอะไรวะเดินไปเดินมาไอ้น้ำตกเนี่น่าเล่นนะวะก็เป็นเล่นสัหน่อยวะเดี๋ยวเสือมาก็กินเราก่อนนะ ไฟไม้ป่าแล้วก็ตายก่อนน่ผู้เดินทางเน่นะเอาเป็นว่าเมื่อถามมาก็ตอบไปนะตอบแล้วสุดท้ายจบว่าต่อไปเนี่ยเบี่ยงไม้ทิ้งซะอย่าถามว่าทำไมทำต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องมีไม้นะเต่านี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของความอายุยืนนะ เตาเนี่ยเขาอยู่กันแบบไม่ต้องใช้พลังงานเยอะพอเจอเพศภัยอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องวิ่งหนีเพราะเขาก็วิ่งไม่ทันเขาก็หดหัวหดขาเข้าไปในกระดองเนี่ยอะไรก็ทามันไม่ได้มันจึงอายุยืนไงนะแล้วก็เขาคือสัตว์โพธิเป็นพาหะของพระโพธิสัตว์กวนอิมชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่สัญลักษณ์ก็คือ อายุมั่นขวัญยืนเราตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดไปเต่เาตัวนั้นมันก็ยังอยู่ถ้าไม่มีเพศภัยอะไรหรือภัยธรรมชาติไปลังแกมันนะเพราะว่าเขาไม่ต้องกระเสือกกระสนตื่นรุนรุนนะเขาอยู่กับตัวเองตลอดนะเขาไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะไรมาพวกเขาก็หดหัวเข้าไปหดขาเข้าไปเขามีเกราะป้องกันภัยนะเคยฝันเห็น กุ้งกับปลาตัวใหญ่มากตั้งอยู่คู่กันโดยหันหัวขึ้นฟ้าแล้ววันหนึ่งก็ขับรถผ่านเห็นรูปปั้นสีทองของกุ้งกับปลาลักษณะเหมือนในฝันเลยค่ะอยากทราบว่าอยากทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรก็เป็นสัญลักษณ์ของกุ้งกับปลา และมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมไหมคะ <c oughs> รู้สึกอารมณ์เจ้าแม่กวนอิมแรงมากเนาะอยากรู้ทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมเนาะรู้แล้วคงห่อได้เนาะเห็นไหมละ่ะถ้ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยถ้าคนโบราณเขาสั ญ, ญลักษณ์ก็คือความอุดมสมบูรณ์นะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเคยเดินทางไปเกาะเกาะนี้พวกครูเคยไปในเมืองจีนนะนะ ต้องนั่งเรือข้ามไปเกาะตรงนั้นท่านไปบำเพ็ญเทียนที่นั่นบังเอิญช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดเรือมีปัญหานะท่านอยู่ในเกาะนั้นน่ะจกุกติพระโพี่สัตว์คนรยินฉันเจนะแต่มันไม่มีอะไรให้ให้ฉันนะท่านใช้ฉันหอยนังลมซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเลือดนะเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยไม่ใช่ปิดเข่งปิดอะไรมากมายนะ คือเรากินอาหารเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะเราต้องเลือกอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยมันเหมาะกับธาตุเรานะมีลือสีตนหนึ่งมาที่นี่ถามว่าพวอครูเนี่ยกินเจไหมบอกไม่กินมังสวิรัติไหมบอกไม่อีกกินเนื้อสัตว์ไหมก็บอกไม่อีกแล้วพวค่ครูกินอะไรกินอาหารอย่ามากเรื่องกินอาหารที่มันถูกธาตุเราเนาะกินเพราะกินไม่ได้กินเพราะมันอร่อยนะ ทุกวันนี้กินเจเป็นยังไงรู้ไหมต้องไปกินไก่เทียมหมูเทียมต้องใช้กลิ่นมันลดมันให้มันเหมือนด้วยอันนั้นเจปลอมนะยังติดรสติดรูปอยู่นะเขาไม่เข้าใจในัยยะว่าที่เขากินมังสวิรัตกินเจเนี่ยเพราะอะไรนะกินอาหารที่มันถูกกับาธาตุเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะอันนี้ก็อา้าวหมดไปแล้วใบหนึ่งเนาะ ใบที่สองลายมือคนเก่าอยากทราบว่าอีกแล้วถ้าถ้าไม่ทำใหม่ก็อยากทราบว่าพระสังกจายคือพระเสียลยะเมตตรหรือเปล่าคะถ้ารู้แล้วเหาะได้หรือเปล่าคะพ้นทุกข์หรือเปล่าคะโน่นไปดูอยากรู้ถึงอนาคตเลยนะความรู้ที่เราถามเนี่ย คำว่าภาษาสังกจายนี่ไปรู้จักไหนภาษามันรู้จักคำว่าสังกจายไหมไอ้ความรู้นี่เรารู้จักเราไปอ่านแล้วเขาบอกเรามันไม่ใช่ความจริงภาษานี่ก็ไม่จริงและภาษาสิ่งคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นธรรมะจริงๆมันไม่มีภาษาเนี่ยในตัวเรามีแต่ขยะความรู้พอรู้มากก็สงสัยเยอะเห็นไหมล่ะ เออสงสัยสงสัยว่างเกินไปมั้ยไปจับคู่กันพรษาสังกัดใ จ, จคือพระศิิยะเมตตาหรือเปล่าคะอันนี้ก็คือคนที่เขาพูดพูดกันนั่นแหละนะมีบางสายนะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเขาบอกว่ายุคนี้อย่าปฏิบททัติธรรมปฏิบัติยากยากไม่ต้องทำบุญเยอะๆทาบุญเยอะๆจะได้เกิดไปยุคพระศรีอ่านเห็นไ้ย พอยุคภสษีอหานเนี่ยปฏิบัติง่ายไงเกิดแน่ๆยุคภษีอ่านอาจจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรืออาจจะเป็นเต่าก็ได้ น, นี่แหละคือผัดวันประกันพุ่งนะกิเลสมันพูดทั้งนั้นแหละมีพุ้ริเจ้าต่อหน้าจ้องๆนี่ไม่เอาใช่ไหมจะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้านะอันนี้ก็เป็นการทำนายอย่างหนึ่งว่าพระสังกจายเนี่ยนะ จะได้เกิดเป็นพระษีอ่านนะเรารู้แล้วเราพ้นทุกไหมนะอันนี้ถามว่าหรือเปล่าคะนะก็สิ่งเหล่านี้อย่าไปเสียเวลากับมันเอาปัจจุบันแหละอย่าไปถามว่าพระสังกรจจายคือพระสาริยะเมตไตรไหมถามว่าเราพ้นทุกหรือยัง ถามบ่อยๆนะถามบ่อยๆเราพ้นทุกหรื อ, อยังแล้วก็ไม่ต้องทำไมถามคนอื่นทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพ้นทุกได้ประโยชน์กว่าเนาะแทนที่จะมาใช้เวลามารู้อะไรที่มันไม่มีผู้เจ้าเคยตัดเตือนว่าความรู้ใดที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกนี่จะไปเสียเวลากับมันหนึ่งชาติหนึ่งร้อยปีของเราเนี่มันแสนสั้น ไม่รู้วิ่งยังวิ่งไม่ทันนะไม่รู้วิ่งทันหรือเปล่ายังมีเวลาไปชมดอกไม้ข้างทางน ะ, นะอยากทราบว่าอีกอยากทราบว่าอีกข้อต่อไปถ้าไม่ทำไม่ก็อยากทราบว่ารู้สึกอยากรู้เยอะจังเลยเนาะเนี่ยคนยุคนี้สอนให้ต้องเป็นคนไฝ่เรียนรู้ไง รู้มันทุกเรื่องที่เรามองเห็นรู้ทุกเรื่องที่เราได้ยินเอาเวลาไปวิเคราะห์วิจัยนะแทนที่จะ เ, เวลาไปเดินทางให้มันออกจากป่าเร็วๆเนี่ยก็อันนี้อีกแล้วนะอยากทราบว่าพวกครูมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงสร้างพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางนี้ละปางนี้คะ <c oughs> พวกครูไม่มีใจหรอกเบียงทิ้งตั้งงานแล้วเหลือแต่จิต แต่ไม่ใช่พ่อคูสร้างด้วยนะมีเจ้าภาพเขาขอมาสร้างพ่ะครูไม่มีอารมณ์เรื่องนี้แต่ในความเมตตานะเนื่องความเมตตาที่นี้ก็ดีเหมือนกันก็สร้างคือคนเราจริตไม่เหมือนกันแต่ถ้าพระครูมีจริตยึดมั่นชื่อหรือมันในจริตพ่อครูแล้ทุกคนมาที่นี่ทําเหมือนพระครูหมดนะนะพ่อครูแต่งชุดยังไงก็แต่งเหมือนพครู พ่อคูกินข้าวเมื่อเดียวก็กินเหมือนพ่อกูห้ามทำอย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าอุดมมากาันอุดมการ์มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นลัทธิอุดมการที่นี่ไม่มีลัทธิอุดมการณ์ที่นี่เรายึดคําสอนพระริเจ้าดํารงชีวิตนะแล้วก็ตำหนักพระโพธิสัตว์กนอิมเขาคนไปเดินดูนะคนที่เขาเข่งกวนอิมเยอะๆมาจากจีนนี่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนอิมที่นี่ เป็นอย่างนี้กายพันพญานาคก็มีมังกรก็มีสิงโตก็มีเสือก็มีลิงก็มีคุดก็มีถ้าคนเขาติดรูปแบบลัทธินิกายเนี่ยเขาจะรับไม่ได้พเพราะครูก็บอกอย่าไปรับสิมันหนักก็สักแต่ว่าเห็นถ้าเกิดลัทธินิยายเราต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้ว่าเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นที่นี่ไม่มี เป็นยุคร่วมสมัยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่แยกละตินิจกายไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กันเพราะครูไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทะเลาะ ก, กันเพียงแต่ว่าอารมณ์ของจิตแต่ละดวงเนี่ยเราปลูกฝังอนุสัยมาไม่เหมือนกันนะจริตไม่เหมือนกันผู้เจ้าถึงยกตัวอย่างจริตทั้งหกนะโลภโทสะโมหะ ศรัทธาวิตกจริตแล้วก็พุทธรจริตมันไม่เหมือนกันผู้เจ้าจึงพระวันเห็นว่าลาจิตพระองค์จึงใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันให้แต่ละคนไม่ใช่ไปก๊อปปี้กันหุ่นยนต์เหมือนกันหมดมาใหม่ใช่ไหมมาใหม่ใช่ไหมไปรุ่นน้องไปไปเรียน ABC ซชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมธรรมะ เราไปเดียนแค่วิชาเทคนิคในการฝึกสมาธิสติเท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การเจริญสติไม่ใช่การฝึกสมาธิอันนั้นเป็นวิชาฝึกสมาธิทำให้เกิดสมาธิวิชาฝึกสติทำให้มันเกิดสติแต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้น แค่สติอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวไม่มีกําลังพอที่จะมุ่งสู่นิพพานเราต้องใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเนี่ยคือโพธิปักขียธรรมสาสบเจประการเป็นเครื่องมือในการเดินทางนี่คือปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมไปฝึกแค่วิชาทําให้มันเกิดสมาธิวิชาเกิดสติสมาธิสติเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในมัสมีองแปด มันไม่ใช่พระเอกแต่ตอนนี้เราฉีกแนวไปฝึกสมาธิเจริญสติเจริญสติอยู่สามสิบแปดปีสี่สิบปีนี่แล้วก็หลุดออกไปสร้างเรือนไงนั่นคือเจริญสติมันไม่เข้าไม่ถึงปัญญานะมรรคผลนิพันธ์นะเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือทำให้มนุษย์เราเนี่ยเติดปัญญาไม่ใช่ไปจบแค่สติ เมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันก็ไม่โง่ที่ทำให้ตัวเองทุกข์มันก็ไม่โง่ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นนี่แหละเราเรียนแขนงเรียนวิชาเป็นแยกเป็นวิชาวิชาไงแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณก็ไปแยกแบบนั้นล่ะกำลังมันไม่ถึงไปฝึกอนุสติสติเล็กๆ เ, เพื่อเอามาใช้ชีวิตประจวันแล้วขี่จักรยานเนี่ยขาก็ถีบไปมือก็จับแฮนไปตาก็มองข้างหน้า สติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้ชีิตประจำวันแต่มันเป็นอนุษษษษสติสติเล็กๆมันระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแต่มันระลึกรู้อดีตชาติไม่ได้มันไม่มีกําลังมันต้องเป็นมหาสตินะเข้าไปสู่จิตในจิตได้สำนึกไปเอาบา ร, รมีเราฝึกมาหลายชาติเนี่ยมาต่อยอดไม่ใช่มาฝึกใหม่มาใหม่มาเอียนเอบีซีเนี่ยอ น, นตายก่อนกระแสกรรมมันไล่บี้เราอยู่ นะคำว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสติไม่ใช่ฝึกสมาธิต้องเจริญมรรคผลนิพพานแต่การเจริญมรรคนี่ต้องใช้สติใช้สมาธิเห็นหต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดเลยสามสิบ37็ดประการคือโพธิปักคียธรรมสามสิบ3จ็ดประการนี่คือการปฏิบัติธรรมอันดับแรกเราต้องใช้สติปัฐานทั้งสี่ กายเวทนาจิตธรรมซึ่งเทวดาทำไม่ได้เทวดาไม่มีกายเทวดาต้องรับกรรมดีตรงนั้นมันเป็นหลงกรรมดีต้องเสพกรรมดีตัวนั้น น, ะนะเทวดาเสพกรรมดีทุกวันทุกมากเลยนะเพราะเสพเสเสมันก็เบื่อเห็นหพอกรรมดีหมดปึ๊บก็เกิดมาอยู่ในร่างลูกเป็นลูกเศรษฐีวันแรกก็ออกมาแหกปากร้องอีกเทกวดาร้องให้ทำไมก็อยากไปสวรรค์ก็ไปแล้วไง สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะอันนี้ต้องเข้าใจนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่แค่สติสมาธิเราต้องใช้สติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเทวดาไม่มีกายทําไม่ได้ต้องรับกรรมดีเท่านั้นนะแล้วก็ใช้หลักอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทํา มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นไม่วอกแวกเมื่อเราตั้งมั่นไม่วอกแวกก็เกิดประสบการณ์นะแล้วก็เกิดทำให้มันเกิดปัญญาคือวิมังสายังไม่พอนะต้องใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งเตือนสติคือสัมมัติประธานสี่ต้องสำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นอันนี้ผู้ไม่ประมาทนะต้องเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วให้มันหมดไปแล้วก็ เพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นตเติมน้ำมันให้ตัวเองบ่อยๆแล้วก็สำรวมระวังอย่าให้กุศลที่มันเกิดขึ้นให้มันหมดไปอันนี้เรียกว่าสมมติประธานสนะอิธิบา4สี่สมมติประธานสสติประธานสี่สี่สามสิบสองสบสองพอไหมไม่พอต้องใช้อินรีห้าพระราหสัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชานาน เหมือเราออกกำลังกายวิ่งทุกวันเนี่ยมันก็เกิดความแข็งแรงความแข็งแรงนี้เรียกว่าพละหา้าคือกําลังของอินทรีย์มันมากขึ้นเห็น ไ, ไหมอินซีห้าพละหา้าเป็นสิบบวกไปสิบสองเป็นยี่สิบสองพอไหมไม่พอต้องใช้โพชงเจ็ดทีนี้ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเราไม่มีวันเสร็จโพชงได้โพชงเจ็ดเนี่ยมันเป็นบรารมีเก่าที่จิตเราฝึกมาแล้ว ต้องเข้าไปในจิตใต้สํานึกเรานะนะทีนี้เข้าไปต้องอาศัยขบวนการมหาสติปัฏฐานคือกายเวทนากายในกายเวทนาต้องเข้าไปในจิตในจิตถึงจะเสพธรรมในธรรมธรรมมาลมในนั้นน่ะส่วนหนึ่งเป็นกรรมดีส่วนหนึ่งเป็นกรรมชั่วส่วนหนึ่งเป็นบา ร, รมีคือเร า, าสะสมมานั่นคือโพชฌงเจตโพชฌงเจตบวกกับ22เป็น29่สิบ้าพอไหมไม่พอ ต้องบวกกับมรรคมีองค์แปดด้วยกลายเป็นสามสิบเจดประการนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปฝึกแค่สติสมาธินะเราด่าคนนี่ถ้าไม่มีสติเราก็ใช้ภาษาผิดนะต้องมีสติโจรผู้ร้ายถ้ามันไม่มีสติมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีสมาธิมันก็พ้นไม่สําเร็จนะมันต้องใช้สติใช้สมาธิมากกว่าพวกเราอีกแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญา มันจึงใช้สติสมาธินั้นไปเบียดเบียนที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะเน้นว่าสติไม่ใช่พระเอกแต่สังคมไทยเราเนี่ยมีสติได้สติได้สิเเราไม่เข้าใจมีสติปกจบมีสติทั้งนั้นแหละไม่มีสติก็เดินมาก็ล้มไงเราไม่มีปัญญาเราจึงใช้สติตรงนั้นไปทำอะไรโง่โงนะก็สติไม่ใช่พระเอก นั่นแหละที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยพ่อครูก็ถามคืนนะรู้แล้วพ้นทุกข์หรือเปล่ามีเวลาว่างมากเกินไปใช่ไหมว่างก็ไปกวาดใบไม้ได้บุญเยอะนะถูพื้นได้บุญเยอะเลยแทนที่จะเอาเวลาไปคิดสร้างมโนกรรมเห็นไหมล่ะเราใช้เวลาเราไปสิ่งที่เสียเวลาชีวิต อย่าชะล่าใจนะเราจะอยู่พันปีหมื 10, ่นหมื่นปีเหมือนเขาให้ให้ให้พรกันนะไม่รู้ร้อยปีถึงหรือเปล่ายังไม่รีบเดินทางอยู่นะหลงป่าแล้วต้องเดินทางให้มันออกจากป่าให้เร็วที่สุดต้องเดินปางเดินทางต้องใช้สติถ้าไม่มีสติก็เดินชนต้นไม้แล้วต้องมีสมาธิตั้งมัน่นเห็นไหมต้องใช้เครื่องมือที่สารจิตประการเดินทางอย่างเดียวให้มันออกจากป่าไว้ๆไม่มื่จะไปฝึกวิชานู่นวิชานี่ ไฟไม่ป่าก็ตายแล้วเราตายในเราตายในป่าวัตฏสงสารมาหลายรอบไปนะเสือมามันก็กินเรายังไม่รีบเดินอีกแล้วไม่ได้เกิดมาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆแล้วรวยจะมีความสุขนั้นอันนั้นอายลิงนะลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีเจ้าหนี้ลูกหนี้มันตีลังกาได้เห็นไหมมันเบามากเลยเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐทําไมเราต้องทุกข์กว่าลิงทําไมถามคืนก่อนทําไม คนที่อยากรู้มากๆตอบพ่าครูหน่อยเนาะเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องมีอะไรเหนือกว่าลิงหน่อยหนึ่งอันนี้ไปทำอะไรไม่รู้ตัวเองเครียดไม่พอกลัวลูกที่เราแสนรักเนี่ยกลัวมันไม่เครียดเหมือนเรากลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรานะสู้ตายนะลูกสู้ตายนะลูกมันก็ตายจริงๆะสู้จนวันตายคนรักลูกต้องสอนให้มันสู้ให้มันเป็นไม่ใช่สู้เพื่อสร้างวัตถุภายนอก วันที่จะตายแล้วเสลืองหนึ่งก็เอาไปไม่ได้อันนั้นสู้ตายนะสู้ให้มันเป็นสู้อะไรชีวิตต้องสู้แต่ไม่สู้เพื่อสร้างอนาคตนะสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานเราตัวนี้เป็นทาง้นทุกข์ไม่ใช่เกิดมาเรี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆเห็นไหมคนเยอะที่สุดในโลกก็ยังทุกข์อยู่นะเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคนที่หนึ่งของโลกเนี่ยเพราะเงินเขาเต็มบ้านแต่เงินทําให้เขาเดือดร้อน ฟังดีๆนะเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยแต่เงินทําให้เขาเดือดร้อนเขายังวัดว่าใครเงินมากกว่าคนนั้นที่หนึ่งมันกลัวเป็นที่สองไงมันก็นอนไม่หลับไงแล้วเราเมื่อไหร่เราจะสําเร็จไม่มีวันเสร็จสําเร็จไปว่าเสร็จแล้วนะทุกอย่างนั่นแะหละจบปริญญาตีโทเอกเก่งมากนะไปเอาเปรียบคนอื่นเขาอะไรตรงเขาแล้วก็รวยจริงๆนะอันนี้เป็นแค่ความรู้ เราเป็นแค่นักเรียนแบบคนอื่นเท่านั้นเองเราไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้จริงก็ไม่มีความอยากรู้ถ้าคนรู้จริงไม่ถามทำไมหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันไม่ใช่ตัวตวนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมีอะไรต้องรู้เหรอ พิจารณาเรื่องนี้เสร็จให้มันทำเพราะอะไรวะก็ไปเอาย่อยสลายไปหลอมละลายก็ไปรู้ที่มาที่ไปของมันแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาไงเอาพิจารณาเรื่องนี้เสร็จไปวิจัยเพื่อโก็เป็นอนัตตาเนี่ยถามว่าอยากรู้อะไรเหรอถ้าคนเขารู้จริงนี่ยเขาไม่มีความอยากรู้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่ไงนะอันนี้เรียกว่าคนรู้มาก ขยะเยอะเลยข้อมูลเยอะเลยแต่ไม่รู้จริงนะหลวงพ่อชาเราเหมือนกันท่านเตือนตลอดสมัยเด็กๆพ่อครูไม่มีโอกาสปฏิบัติแล้วแต่เราเป็นคนอุบลเราไปกราบท่านอยู่เรื่อยก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนั่นแะหละท่านเน้นบ่อยๆว่าอย่าเชื่อความรู้สึกนึกคิดอย่าเชื่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ตัวเองยังไม่เชื่ออย่าไปเชื่อความรู้คนอื่นด้วยเหมือนเรานั่งอุ้ยเห็นเห็นเห็นนิมิตจริงๆเลยนะเห็นโน่นเห็นนี่นะเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเลยอุ้ยปิติมากไม่กล้าเบี่ยงพระพุทธเจ้าทิ้งเรื่องอะไรผู้ครูบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมบุญนั้นเห็นหล่ตถาคตแสดงว่าเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นตถาคตแล้ว พอออกกรรมาฐานถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเหรอนั่นเป็นเหมือนพระพุท ธ, ธรูปเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายสิท ธ, ธาไหมเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสอบจิตปัจจุบันว่าเนี่ยรู้เท่าทันไหมเห็นไหมอย่าเชื่อความรู้สึกนึกคิดเพราะครูถึงบอกว่ารู้เฉยๆนะ รู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งรู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งถ้ารู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดึงให้เราไปหลงมันเห็นไหมละ่ะถ้ารู้สึกปุ๊บมีช้าเกินไปละเวทนามันเกิดแล้วอันนี้จิตเรามันแฝงด้วยความอยากรู้อยู่แล้วเรื่องอะไรจะเหวี่ยงทิ้งกว่าจะเจออย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเรื่องอะไรจะเหวี่ยงทิ้งก็ไปดึงมารู้สึกก็มาคิดอีกแล้วเอ๊มันคืออะไรทําไมที่ไหนเมื่ อ, อไหร่อะไรแล้วยังไงละ่ะ มันก็เสียเวลาไงรู้เฉยๆถ้ารู้สึกปุ๊บครูบาอาจารย์บอกอยากเชื่อความรู้สึกความนึกความคิดมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นอุปท า, านของจิตอันนี้ลายมือคนใหม่คนนั้นรอดตัวไปแล้วนะนะถาม การที่จะรู้จักตัวเองต้องทำอย่างไรการที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยต้องทำอย่างไรนะถามมาก็ต่อไปนะแต่ฟังหูไวหูนะอย่าเพึ่งเชื่อคนที่พูดนี่เป็นครูบาอาจารย์เราอย่าเพึ่งเชื่อตาําราอย่าเพึ่งเชื่อคำเล่าขานฟังหูไวหูนะ กัลายาธิมิตรเป็นที่สุดแห่งพร ม, มจันทร์อันนี้ส่วนหนึ่งกัลายาธิมิตรที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นที่สุดแห่งพร ม, มจันย์กัลายาธมิตรเนี่ยเหมือนกระจกเงานเนี่ยทำให้เราเห็นตัวเองเห็นไอ้รูปหยาบหยาบเห็นอุปนิสัยหยาบหยาบถ้าเป็นกันลายาธมิตรของเราจริงๆกัลายาธมิตรคือมิตรแท้มิตรที่ดี เขาซื่อสัตย์ต่อเราจริงเขาจะบอกความจริงว่าเราเป็นอย่างไรนิสัยเราเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำนี่มันควรไม่ควรแต่ถ้าเป็นมิตรเทียมเนะี่ยมันจะหลอกเราเราไม่ได้ทำอะไรดีบอกโอ้เธอดีดีดีเพราะมันอยากได้ของเราเราจะไม่เห็นความจริงนั่นแหละที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยการมิตรเนี่ยเป็นที่สุดแห่งพมมจันท์นะ บางทีกระจกน้าเนี่เราไปมองเราก็เห็นเฉพาะข้างหน้านะเราไม่เห็นข้างหลังนะกระจกเงายังสู้กับยานมิตไม่ได้เลยเขาเห็นข้างหลังเราด้วยนั่นแหละพออยู่ด้วยกันในกระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยนะพอเขาชนเราปุ๊บเนี่ยเราโกรธต้องขอบคุณเขานะที่เขาทําให้เราเห็นว่าเราเป็นเราโกรธไม่ใช่ไปโทษเขา นะต้องเอาทูบเทียนดอกไม้ไปขอบคุณเขาเยเดียวว่า เ, ออเธอทำให้ฉันเห็นฉันโกรธนี่หละเป็นพี่สุดแห่งผมจันย์แล้วหนีไปในป่าปฏิบัติคนเดียวได้ไหมได้ตำรวจไม่จับแต่เราก็อันนั้นต้องอาศัยข้อที่สองนะคืออยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปในจิตเรา เราต้องการรู้เนี่ยในวิทยาศาสตร์ต้องการรู้ไอ้สิ่งนี้ประกอบด้วยอะไรเราก็ไปหลอมละลายไปหาที่มาของส่วนผสมเราอยากรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องเข้าไปในจิตเข้าไปในเว็บไซต์ของเราไปดูว่าเราเป็นใครกันแน่เกิดมาทำไมโตขึ้นมาเขาเรียกเราว่าชื่อบัญชาบัญชาเนี่ยเห็นไหมล่ะเราเป็นบัญชาจริงไหมเห็นไหมตอนนี้เราหลงว่าเราเป็นบัญชาไง บัญชานี้ไม่ใช่ของจริงมันเป็นชื่อสมมุติร่างกายนี้ก็ไม่จริงมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟหรือใครไม่เชื่อเพราะคูจะพิสูจน์เอาไหมนะเดี๋ยวจะจับไปเผาน ะ, ะเผาแล้วร่างกายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินไอ้ตัวเรามันหายไปไหนตัวเราจริงเหรอจริงมันมันหายไปไหนตัวเราก็ไม่ใช่ของจริงมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันเป็นสิ่งสมมุติชั่วคราว แล้วเราคือใครจริงๆล่ ะ, ะอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการรละลึกชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสมันเป็นความจริงซึ่งทุกคนทำได้แล้วก็เข้าไปถอยดูไงเรามาจากไหน ทำไมต้องเกิดมาเป็นอยู่ในร่างสตีอยู่ในร่างบุรุษเห็นไมทำไมต้องเกิดอยู่ในร่างเสือหมูหมาแมวอันนี้สัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้เทวดาก็ทาไม่ได้เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่ทำได้เนี่ยที่เราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอย่างเดียวเท่านั้นคือเราจเจริญมรรคจิตได้นะนั่นแหละ อยากก้าวหน้าต้องถอยนี่คืออยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยข้างนอกก็ต้องพึ่งพาการแามิตรเขาจะชี้ให้เราเห็นว่าเราเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าการามิดนั้นไม่มียานรู้เขาก็ไม่เห็นข้างในเรานะตอนนี้มีแต่ยานหมอดูหมอเดาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็หาเงินหาเงินก็ไปหาหมอดูเนี่ยช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยว่าฉันเป็นใครแต่ไม่โง่ขนาดนี้ตัวเองยังไม่รู้เป็นใครคนอื่นมาบอกว่าเราเป็นใคร มันต้องจิต ท, ที่เขามันรู้ทมแล้วเนี่ยผู้เจ้ารู้ว่าละจิตนะรู้ที่มาที่ไปแต่คนรู้จริงๆเขาไม่พูดพังเพื่อหรอกนะรู้จริงๆเขาไม่พูดพังเพื่อแต่เขารู้วาละจิตอันนี้โอ้ยกลายเป็นธุรกิจไปเลยเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นใครไปถามเขาว่าช่วยบอกฉันหน่อยฉันเป็นใครนะความอยากรู้ของเรานะวิธีอยากรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าไปข้างในนะโดยใช้ หลักการของการปฏิบัติมรรคจิตหรือวิปัสนาทีนี้อยากเห็นข้างในเนี่ยอันดับแรกต้องหลับตาลืมตาเราจะไม่เห็นชีวิตเราหลับตาปุ๊บเหมือนคนตาบอดนอนหลับไม่รู้เรื่องพอลืมตาปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทอง ก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลยถ้าอยากจะเห็นตัวเองอันดับแรกต้องหลับตาก่อนแล้วก็ใช้พลังทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยปลดปล่อยจิตเราเนี่ยเข้าไปสู่ข้างในนั่นแหละเราจะรู้ที่มาที่ไปของเราทำไมไอ้หมอนี่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีพ่อมันรวยเป็นพันล้านทำไมไอ้นี่เกิดมาพ่อเป็นหนี้สิน ทำไมไอ้นี่เกิดมาไอคิวสูงทำไมนี่เกิดมาไอคิวต่ำวิทยาศาสตร์โปรดตอบหน่อยไม่มีทางรู้เพราะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ผู้เจ้ารู้สิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะนั่นแหละวิธีที่จะรู้ตัวเองก็คือหนึ่งอยู่ร่วมกับตยีลมิตรนะตะีมินะตร การอะไม่ที่แท้แท้เนี่ยเขาจะไม่โกหกเราเขาจะกล้าพูดความจริงว่าเอ อ, เธอ เ, องงเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและนี่ก็รู้อย่างๆข้างนอกแต่เราเองต้องเข้าไปข้างในไปรู้ที่มาที่ไปของเราว่าทำไมเราต้องเกิดอยู่ในร่างนี้นั่นหละคือศาสตร์แรกที่พระเจ้าตัดสู่บุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าได้การละลึกชาติ แล้วก็วิชาที่สองที่พระเจ้าตัดส루นะทำไมเกิดมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ทํำไมเกิดไปเป็นอย่างนี้เนี่ยพระองค์ที่พระองค์ระลึกชาติเนี่ยพระองค์ไปเห็นพระองค์เป็นหลายหลายหลายร้อยชาติเนี่ยประสบการณ์ตอนนั้นทําพระ อ, องค์เห็นเรื่องว่าเราเกิดเนื่องด้วยกรรมที่เราสร้างมาวิชาที่สองคือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหน ไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนกําหนดชีวิตเรากรรมเป็นตัวกําหนดเนี่ยสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมนะเรามีกรรมเป็นทาญาตเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับกรรมบี้หมัดหมาในปวดหั ว, วหักขายแย้เป็นอามาพารอยู่ที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะนี่คือวิชาที่สองที่ที่ผู้เจ้าไปตัดสั้ว่าเราหลงไปสร้างกรรมตั้งหลายร้อยหลายพันชาติแล้วเนี่ย จะมาใช้ชาติเดียวมันจะไหวเหรอหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตนะเราฆ่าคนพันคนต้องอีกพันชาติถ้าคนต่อคนถ้าไอาสัตว์เล็กๆเนี่ยก็เจ็บปวดนิดๆหน่อยๆอรู้ได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่เชื่อพิสูจน์ได้ยังไงผู้เจ้าบอกท่านจงมาดูเถิดพร้อมที่จะพิสูจน์ท้าทายด้วยปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแต่ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมไหมไม่เราแค่ฝึกวิชาสติวิชาสมาธิ ต, ตอนนั้นแล้วมันจะไปเข้าไปข้างในได้อย่างไรมันต้องเจริญมรรคจิตมันก็เกิดผลผลสูงสุดก็คือนิพพานนะก็ทีนี้เขาแย้งว่า คำถามที่สองนะที่พ่อครูไม่เห็นด้วยกับการคิดบวกแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจัดถึงลักษณะของบัณฑิตไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องดีพูดแต่แต่คำพูดที่ดีและทำแต่กรรมดี ผู้เจ้าไม่ได้ตัดอะไรผิดนะก็ถูกแล้วอยากเป็นบัณฑิตนี่ยก็ต้องพูดดีคิดดีทำดีสิเป็นแค่บัณฑิตนะแต่ไม่ใช่เป็นคนพ้นทุกข์เยก็คิดก็คือสร้างมโนกรรมแล้วมันจะดีได้อย่างไรเหรเห็นไหมเห็นเขาบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันดับแรกเธอต้องเลิกคิดก่อนโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนาเนี่ย ถ้ายังคิดอยู่ยังพูดอยู่ยังยังกระทำอยู่ในวิปัสนาจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ถ้าทางนั่งไปด้วยคิดไปด้วยมันเป็นวิปัสนึกมันนึกเอาเราต้องหยุดคิดเพราะคนคิดเป็นน่คือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นถ้าจำเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตตัวเองและผู้อื่น นะแต่ถ้าเกิดว่าจิตมีปัญญาสูงสุดแล้วไม่ต้องคิดคิดดีก็กรรมดีคิดชั่วก็กรรมชั่วถ้าไม่คิดไม่ต้องมีกรรมนะนี่ยอย่าคืว่าอย่าเข้าใจผิดนะที่พูะเจ้าตรัสกับคนทั่วไปเพื่อให้เขาเป็นบัณฑิตก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าตรัสเพื่อให้เขาพ้นทุกพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษาอื่น คุณต้องเลิกคิดอันนี้เราก็ไปอ้างผู้เจ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนก็ต้องทําตามหมดอย่างนี้นะเนี่ยเถียงกันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองสิ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยเตือนพุทธศาสนิกชนเนี่ยแม้กระทั่งผู้เจ้าจากไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันเนี่ยคือโอวาทปาติโมกคือทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ไม่ใช่ไปลงข้อผิดย่อยผู้เจ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าว่าอย่างนี้ก็ผู้เจ้าสอนให้เป็นบัณฑิตนะเขาก็ต้องว่าอย่างนี้สินะพรากูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะก็คําตอบก็คือว่าคิดดีไม่ได้แปลว่าคิดบวกไม่ได้แปลว่าคิดบวกคิดดีคือคิดแต่เรื่องซึ่งเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่คิดบวก เพื่อสนองตันหาเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนั้นมันเป็นมนโนกรรมนะหรือว่าใครปฏิเสธว่าคิดบวกเพราะตัวเองไม่อยากได้อยากชนะอยากทั้งนั้นแหละก็ผู้เจ้าบอกตันหาคือที่มาของทุก์ไงและสนองตันหาแล้วมันจะดีได้อย่างไรก็คนคิดดีไม่ใช่คนคิดเก่งนะคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็น คิดดีพูดดีทำดีเป็นบัณฑิตถือว่าเป็นคนดีแต่ยังไม่ได้เป็นคนพ้นทุกต้องพูดทีละสเต็ปนะอยากเป็นคนดีก็คิดดีพูดดีทำดีนะแต่ถ้าอยากพ้นทุกเนี่ยต้องเลิกคิดซะไม่ใช่ทำดีทำเพราะทำไม่มีดีไม่มีชั่วถ้าดีปุ๊บมันเป็นของคู่มันจะมีความชั่วนะ ทำเพราะทำไม่ต้องคิดการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกต้องเริ่มจากการหยุดคิดหยุดพูดหยุดกระทําทั้งปวงวิปัสนาจึงจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมละ่ะอันนี้เราเราจากเป็นบัณฑิตเป็นคนดีเราก็จะมุ่งสู่ความเป็นคนพ้นทุกอันดับแรกต้องหยุดคิดเหมือนเราปฏิบัติต้องหยุดคิ ด, ห, ด, ห, ย ด, คดหยุดพูดหยุดการกระทําต่างๆเหมือนน้ํามันนิ่ง เมื่อมันนิ่งเฉยเฉยเนี่ยฝุ่นละอองเม็ดที่หนึ่่วงลงมามันก็สัมผัสได้ใบไม้รลงมันก็สัมผัสได้วิปัสนาเกิดขึ้นแล้วคือไม่ต้องทําอะไรแค่อยู่เฉยเฉยนั่นแหละปัญญามันจะเกิดการพูดดีพูดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะคือการให้ธรรมทานนั่นแหละทีนี้มันมีคํานึงว่าเชื้อโลกเข้าทางปากออกทางปาก เชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากเข้าทางปากคือถ้าเรากินอาหารบริโภคอะไรไม่ระวังกินเชื้อโรคเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บมันเข้าทางปากทีนี้มันออกทางปากคืออะไรล่ะการสร้างวัีกรรมพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดลายเขาก็เกลียดเราก็กรชังเราสร้างศัตรูนั่นแหละมันออกทางปากพูดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน อันนึงพูดเป็นเรื่องเป็นกุศลต่อตัวเองและผู้อื่นอันนึงพูดไปว่าเขาไปด่าเขาเนี่ยเขาก็เกลียดเราเขาก็จะทำลายเรานี่แหละเชื้อโรคออกทางปากนะมันกลายเป็นท่าในทางไม่ดีแล้วพูดปุ๊บกลายเป็นวจจกรรมการสร้างกรรมโดยการพูดมันออกทางปากนะทีนี้การทำดี คือทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นการทำดีที่สุดคือหยุดการกระทำทั้งปวงหยุดการกระทาทั้งปวงนะคือทำดีที่สุดก็คืออะไรคือการเจริญวิปัสสนาถ้ายังมีการกระทำโดยเจตนาการคิดการอะไรอยู่เนี่ย วิปัสนาจะไม่เกิดขึ้นนี่คือการทำดีทั้งหมดคือหยุดสร้างกรรมทั้งปวงแล้วเราจะเกิดปัญญานะคือบางทีเรารู้รู้มันก็รู้อีกระดับหนึ่งนะเหมือนพ่อคูเคยถามแต่เราคนถามแบบเด็กว่าเด็กๆนาฬิกาเนี่ย เ, เลข ส, สูงสุดมันอยู่ตัวไหนทุกคนตอบเลขสิบสองนะักวิชาการนูวนมุ่งมั่นสูงสุดจะไปเลขสิบสอง เพราะกูถามว่าจากเลขหถึงเลข12นี่กี่นาทีตอบว่า30นาทีจากเลขหไปถึงเลขหนี่กี่นาทีตอบว่า60สนาทีตัวไหนมันมากกว่ากันสูงสุดคืนสู่สามัญวิชาการเรารู้แค่ครึ่งเดียวแต่เราไม่รู้รอบเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเราสร้างอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยและไปตั้งชื่อว่านิวเคลียร์เพื่อสันติมันสันติจริงไหม ถ้าอยู่กับฉันสันติอยู่กับเธอไม่สันติมนุษย์หลอกตัวเองเรารู้เรื่องวิชาสร้างอาวุธนิวเคลียร์เราก็หลงว่าเราเก่งเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมสักวันหนึ่งอาวุธที่เราสร้างมามันจะมาฆ่าลูกหลานตัวเองนั่นแหละเรารู้ครึ่งเดียวมันยังไม่ใช่รู้จริงนะก็ก็ควรจะหมดแล้วเนาะ ก็สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนนะคนโง่ที่เห็นว่าตัวเองโง่เนี่ยถือว่าเป็นบัณฑิตอย่างยิ่งแต่ถ้ารู้แค่นั้นว่าเออรู้ว่าเราโง่แสดงว่าเราเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นเราไม่หาวิธีแก้ความโง่เราเนี่ยเราก็เป็นแค่บัณฑิตเราจะไม่เป็นคนพ้นทุกข์ นะลัทธิขงจื๊ออยู่มังจี น, นปัชญาขงจื๊อก็สอนให้คนเป็นบัณฑิตนั่นละเป็นผู้ดีอยู่กันแบบสันติตามอัตภาพลัทธิขงจื๊อสอนให้เป็นบัณฑิตลัทธิเตา๋านะลัทธิขงจื๊อนี่อยากเป็นคนดีก็คือบัณฑิตลัทธิเต่านี่อยากอายุยืน เป็นพันๆปีอยู่แบบเต่านะอยู่แบบเกา่าไม่คือตือ้อนอะไรเนี่ยเห็นหอายุยืนอันนี้คือไม่อยากตายแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่อยากเกิดเลือกเอาจะเอาทางไหนแก่มาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บมาก็โอยอีกวันที่จะตายตายไม่ลงอีกห่วงลูกห่วงหลาน เอาทองคำไปฝังตัวนั้นยังยืมบอกมันตายไม่ลงเห็นไมเป็นอย่างนี้หลายรอบเลยนะแต่เราไม่เข็ดไม่จำพอตายแล้วก็เกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องอีกทุกข์ก็เกิดอีกเห็นหมถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจำแม่นๆห้ามเกิดอีกเด็ดขาดนี่คือพุทธศาสนาคืออันนึงอยากเป็นคนผู้ดี อันหนึ่งอยากจะไม่ตายต้องอายุเย็นยนะืนนะอันหนึ่งไม่อยากเกิดผู้ที่เจ้าแก้ที่ต้นเหตุถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจาแม่นแม่นห้ามเกิดอีกเด็ดขาดทําได้ไหมทําได้ทําได้ทุกคนเพราะเราเป็นมนุษย์ผู้เผชิญนะมดมอด มดบอดมันมียานรู้มากกว่าคนด้วยนะตอนนี้มันรู้ล่วงหน้าฝนจะตกมันก็หนีฝนก่อนมันรู้อนาคตนะเพราะยานรู้มันจิตมันบริสุทธ์ไงมันรู้ดินฟ้าอากาศแต่มนุษย์เรานี่ยานรู้ตรงนี้หายไปไหนถูกเอาวิชาความรู้ผิดบล็อกไปหมดเลยก็เป็นหลงว่ากูเก่งใครแตะต้องไม่ได้เห็นไมยานสัญชาตญาณเราหายหมดเห็นหแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วนี่เราเอา เราขัดจจิตให้ผ่องใสในจิตเขาไปสู่สภาวะเดิมแล้วเนี่ยมันก็มีญาณรู้มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่เราเก่งไม่เก่งนะเห็นมดมันยังรู้ล่วงหน้าเลยว่าฝนจะตกมันไม่ต้องเจริญวิปัสนาด้วยซ้าแต่มดมันทุกตามอัตภาพมดมันก็เดินไปสู่นิพพานเหมือนกันนะมันอยู่ในช่วงเชคชั่นไอกระบวนการที่กาลังจ่ายนี่กรรมอยู่มันก็ไต่บันไดอยู่ นิพพานจึงไม่ใช่ของคนใดคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งบังเอิญพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายยถาไปตัดสรุปมาก็เอาสิ่งที่พระองค์รู้มาพองคเห็นเนี่ยมาบอกกล่าวธรรมะที่พระองค์ไปตัดสรูไม่ใช่ของพระองค์ด้วยนะพระองค์ไปตัดสรูปมามันมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จั ก, กรวาลมีก่อนที่เจ้าชายเสถียรสถานจะประสูติอีกเห็นไหมในสายพุทธเราบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้อีกยีสบเจพระองค์จะเป็นพระทีปังกรพระกัสสปะเนี่ยก็ไม่มีไม่มีพระไตรปิฎกอา่านไม่มีพระสมองแรกของโลกไม่มีพุทธศาสนาทําไมท่านเหล่านั้นมารลุทําได้เพราะท่านปฏิบัติไงท่านไม่มัวมานั่งอ่านหนังสือไปท่องจํามีได้ขยะจบด็อกเตอร์จบป ร, ริญญาเก้าสูงสุดคนหนึ่งแปลนิพพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะไปไหนละ่ะ มันก็ไม่ไปไหนไงมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะติดตัวรู้ติดตัวรู้นะมันเป็นแค่ความรู้มันไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาเรารู้แจ้งแล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราทั้งนั้นน่ะแล้วเราอยากจะรู้อะไรเหรอก็ไม่ต้องรู้ไงไม่มีอะไรให้รู้แต่อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆอารมณ์นั้นก็หลอกเราไม่ได้เห็นไหมกิเลส ท, ทาให้เกิดตัณหา ตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานก็ทําให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราฝึกสติเรารู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดเห็นไหมทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเราทําได้เวลานั้นเราก็เป็นแค่คนไม่ทุกข์ในเวลานั้นแต่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเรายังไม่ได้ขัดเกา่ากิตให้ผ่องใสไอ้กระแสกรรมเก่ามันก็ยังอยู่อย่าแกล้งลืมนี่เก่านะไม่ใช่อยู่แค่สตินะสตินั้นเป็นของ ชั่วข่าวกําจัดชั่วข่าวแต่ถ้าเราเข้าถึงปัญญาเราเราจะรู้ว่าต้นเหตุเรามีอัตตามันจะระเบิดอัตตาตัวนั้นทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตานั่นคือปลอดภัยไม่ต้องสํารวมระวังอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีกิเลสมันไม่มีความอยากไม่มีอนาคตแล้วทำไมมันจะต้องไปสร้างกรรมละ่ะมันมันไม่มีความอยากไม่ต้องคิดด้วยที่เราคิดนี่เพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนไง แต่ถ้ามาจิตมันไม่มีอนาคตแล้วมันจะไปคิดทาไมล่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องระวังเพราะมันเป็นโดยธรรมชาตินะทุกวันนี้เนี่ยเรามีสินห้าสินแปดสินสิบสินปฏิโมกสินสองร้อยยี่ิบเจ็ดสินนี้เป็นแค่วิเนียเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นมาทีหลังเป็นสินในการอยู่ร่วมเพื่อเตือนสติเราไม่ให้ขัดแย้งกันนะ มันเป็นแค่สินตัวหนังสือแต่มีประโยชน์ไงถ้าคนยังเข้ามันไม่ถึงตัวนั้นน่ะก็ต้องอาศัยสินตัวนี้มาบอกเราว่าอย่าทํานะมันจะผิดสินนะเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเลยอย่าทำนะจะผิดกฎหมายนะเขาจะจับเราก็จะปรับเราบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้ศินเหมือนกันศินตัวหนังสือเนี่ยบางท่านก็ถือถือหลุดหลุดะถือสินแบบถือถือหลุดๆเพราะมันไม่ใช่ของจริงศินคือความปกติของจิตนี่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติภาสานไม่ต้องถือสินห้า ทาซานมีสินห้าเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเอาไอทาซานมึงเอาเหล้านี้แพงที่สุดในโลกไปกินอ่ะมันบอกเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้มึงเอาไปไกลๆเหม็นบุรีเนี่ยแพงที่สุดในโลกมึงอะไรก็ไม่รู้กูไม่เอาทาซานมันโกหกไหมมันจะโกหกทําไมมันไม่มีความอยากได้ของเราภาษามก็พูดไม่เป็นด้วยเห็นไหมศินมีความปกติของจิตมันมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ศินเราหายไปไหน ศีลเราหายไปไหนมันหายไปไหนเหรอมันไม่ได้หายยังอยู่ข้างในแต่มันถูกครอบงําด้วยความรู้ผิดคืออวิชชาความรู้ซึ่งแฝงด้วยความโลภความโกรธความหลงนะ่ะมันห่อหุ้มศีลศีลแท้ถูกห่อหุ้มก็เลยมันถือศีลเทียมถือศีลนี้ไม่ใช่มันไม่ดีนะศีลกติกาตัวนี้เป็นแค่วินัยที่เป็นตัวเตือนสติเรานะบางครั้งก็ถือถือดุดๆุดพ่อครูเองเคยเล่าให้ฟัง 4ี่ิบปีวิ่งไปตามโลกไปสู้ที่อเมริกาเนี่ยสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทั้งหมดเที่ยวเตตามภาษาคนหนุ่มโกหกเพราะเราเป็นพ่อคาเราถือว่าเป็นเทคนิคกินเหล้าทุกยี่ห้อยิงนกตกปลาไม่มีสินแต่พอมันระเบิดปุ๊บมาอยู่ที่นี่ยี่สบกปีเขาไม่ต้องถือสินอีกแต่แน่นอนมันไม่ทำชั่วแน่นอนเพราะมันไม่มีอนาคตแล้วเนี่ย ทำไมต้องไปโกหกเขามันไม่มีความอยากแล้วทำไมต้องมันต้องไปทำผิดศีลล่ะมันเป็นเองมันเป็นศีลโดยธรรมชาติแล้วเราถึงรู้ว่าศีลจริงๆมันคืออะไรเอาเป็นว่าชาตินี้นี่แปลกมนุษย์เกิดมาก็ถูกให้เขาให้นับถือศาสนาพุทธสี่สิบปีไม่รู้ว่าผู้เจ้าสอนอะไรไม่มีศีลห้าพอมาอยู่ที่นี่ยี่สกปีก็ไม่ต้องถือศีลอีก นะแต่ยี่บหกปีนี้มันไม่ทําชั่วแน่นอนที่เราทําชั่วเราทําผิดศีลนี่ยเพราะเรามีความอยากเรามีอนาคตตถึงคิดไงเมื่อโนกรรมแล้วคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกเอาคิดดีมันทุกได้ยังไงทุกมากกว่าคิดชั่วอีกฉันต้องสร้างอนาคตฉันต้องชนะฉันต้องเก่งคิดจนนอนไม่หลับนั่นแะหละคนคิดดีนะี่ คิดดีในทางโลกดีคือว่าต้องชนะต้องเก่งต้องทำสำเร็จไงนั่นแหละคิดดีของพวกเราแล้วมันดีหรือเปล่าพอชนะแล้วได้เงินมามารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งดีไหมมันดีจริงหรือเปล่าแล้วถูกใส่โปรแกรมว่าเด็กเก่งๆนะลูกถึงจะเป็นคนดีต้องเก่งก่อนค่อยเป็นคนดีนะคนดีทาอะไรก็ดีนะ คนเก่งทำอะไรก็เก่งทำชั่วก็เก่งทำดีก็เก่งนะนั่นแหละคนเก่งนั้นแหละที่ไปเอาเปรียบคนอื่นที่ไปลังแกคนอื่นนั่นแหละคนเก่งนั้นแหละจต่ทางโลกบอกมันดีไงเห็นไมเราเข้าใจคำว่าดีผิดนะเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหน ให้ความสุขจริงๆรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะเข้าไปถามอาจารย์เราอยู่ข้างในเข้าไปในจิตเดิมเราจิตเห็นจิตคือมรรคจิตปัจจุบันเห็นจิตเดิมเราเราเข้าไปกระแสมรรคแล้วผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนั่นแหละเราจะรู้ว่าเราเป็นใครตอนนี้เราแกล้งลืมไหมว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาหลายชาติแล้วเราแกล้งลืม ไม่ใช่แกล้งหรอกธรรมชาติให้เราลืมจริงๆทีนี้อยากจําได้คืออะไรต้องเจริญมหาสติปัฏฐานให้มันมีมหาคือสติใหญ่มันจะได้มีกําลังระลึกรู้อดีตได้แล้วก็เอาบารมีเก่าที่เราฝึกมาหลายชาติเอามาต่อยอดไม่ใช่มาฝึกใหม่นะตายก่อนตายก่อนกระแสกรรมมนไล่บี้เราอยู่สมว่าชาตินี้เราฝึกโอเคบางเอิญเราไม่ไม่ถึงฝั่ง ตายปุ๊บเอาเปเผามันหมดเลยไอ้ที่เราฝึกมาหมดเลยมันไม่ได้หายไปไหนชาติหน้าเราก็มีโอกาสไปต่อยอดนะที่พวกเรามีโอกาสมานั่งอยู่ที่นี่นี่จำไว้ว่าไม่ใช่ธรรมดาอย่าดูถูกตัวเองเยไม่เคยเข้าวัดเลยนั่นแห่ะยิ่งดีไอ้ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นแหละทาไปด้วยสงสัยไปด้วยอันนี้อะไรว ะ, ะรเรนวะดึงชักกะยื่ออยู่นั่นแหละ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 บรรลุมรรคผลนิพพานโดยวัยเทิน